ทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงแสดงธรรมีกถาให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นแก่พวกภิกษุเหล่านั้นแลรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราจะบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิประการคือ 1. เพื่อความรับวดีแห่งสง 2. เพื่อความพาสุขแห่งสง 10. เพื่อเอื้อเฟื้อวินัยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้